و َาหิดฮُม ه ُ م หิดฮَมว่าหิดฮุมว่าหิดฮุมว่าหิดฮุมว่าหิด إِنَّ عِبَادِي لَيَسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ, ليس سلطان وَكَفَأَ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ر َ ب ك ُ م ُ ا ل ذ ي ِ ي ُّ زِيلَكُمُ ا ل ْ ف ُ ل ْ ك فِي الْبَحْرِ ل ِ ت َ ب ْ ت َ ه مِنْ ف َ ض ْ ل ه ِ น u บหุกอิมีม a و َ إ ِ m َ ا مَسَكُوا الْضُرْر فِي ا ل ْ ب َ ح ظلّم َ ن تدعون إلّا إياه فلما ن ج ّ ا ك م إلى البر أعربتم วَาก ا ل อินสั س َ ا ن ُ كَفُورًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ว่ سَيِّئَاتِ أعمال ِ ن ا ميهده ال الله فلا م ض ل ل ُ وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَ وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ ا ل ن ُُّ و ر ا, إ ل ل ه h u m m a a n t لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك و و ع د ك م س ت ط ع ت أ ب ؤ ل ك ب ن ي م ت ك ع ل ي و أ ب ؤ بذنبي فغفر لي ف إ ن ه لا يغفر ذنوب إلا أنت ا أن ل ل ه h إني أعوذ بك من شر ما صنعت سلام عليكم ورحمة الله وبركاته อัลฮัมดุลิลละพี่น้องที่ร่วมนมัสซุบทุกๆ ท, ท่านครับก่อนเดินเราต้องสุกอรขอบคุณอัลลอสุบฮานาอูวะตาลาที่อัลลอให้เรานอนหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาฉะนั้นด ع อาด ع อาหมายถึงการขอต่ออัลลอฮฺรำลึกถึงอัลลอบนที่นอน ก่อนที่จะลุกขึ้นมาอาบน้านำมาข้าวของน้าด้าบนที่นอนก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลอยานบดมอมตนาไลฮินุชูอัลฮัมดุลิลลาฮิลลยานบดมอมตนาไลฮินุชูแปลว่าขอบคุณอัลล am ์ท <c oughs> il am ี่อัลล์ให้ฉันนอนหลับไป แล้วก็ให้ฉันฟื้นขึ้นมาให้ฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้เรากลับไปหาอัลลอ์อีกครั้งหนึ่งเป็นการเตือนตัวเราไม่ให้ลืมอัลลอ์สุบฮานะฮูวดาลกำลังทบทวนอัลก ah ุรอานสุร์อัลอิสรออิสรอนี่แปลว่าการเดินทางในเวลากลางคืน ใครเดินอ่ะไม่ใช่เรานาบีมุฮัมมัดเดินทางจากมักกะจากนครมักกะไปเมืองเยรูซาเล็มใช้เวลาแพบเดียวในวันนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นเดือนแต่นบีไปแพบเดียวแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกเนี่ยรอจอีกขึ้นข้างบนไปเข้าเฝ้าอัลลอ์ไปรับของขวัญคือนามาดห้าเวลาในมา แล้วก็นบีก็กลับมานมาสุบทันที่นครมกักกะเนี่ยกำลังอิสระเนี่ยแปลว่าการเดินทางในเวลากลางคืนส่วนหนึ่งของกลางคืนวันนี้ทบทวนมาถึงอายะที่หกสิบสามถึงอายะหกสิบเจ็ดห้าอายะด้วยกันนะครับขอทบทวนอายะที่ผ่านมา อาที่ผ่านมาก็คือว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างชัยตอนมาจากไฟแล้วก็สร้างมนุษย์เนี่ยมาจากดินสร้างมนุษย์มาถึงสร้างนาบีอาดัมมาจากดินแล้วก็สร้างฮาวะภรรยาของนบีอาดัมเนี่ยมาจากซี่โครมแล้วก็สร้างนาบีออซาเนี่ยผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อ แล้วก็สร้างมนุษย์ทั้งหมดที่อยู่ในโลกดุนยาใบนี้และจะสร้างอีกต่อไปก็คือจากน้ำอสุจิผสมกันในมดลูกของผู้หญิงนี่วิธีการสร้างของอัลลอ์มีอยู่สี่แบบทีนี้เมื่อสร้างอาดัมเสร็จแล้วอัลลอฮ์สั่งให้มาลาอิกะสั่งให้อิบลิสไชตอนยินทั้งหมดเนี่ย ให้กราบนาบีอาดัมคำว่ากราบอันนี้ไม่ใช่กราบแบบสุญูดแตหมายถึงให้ให้เกียรติให้เกียตรยติกับนบีอาดัมอิบลิสไม่ให้เกียรติไม่ยอมเชื่อฟังอลอนร้องไม่ยอมสุญูดไม่ยอมกราบแต่ชายตอนไอปฏิเสธแต่มาลาอิกะกราบ เมื่อไม่เมื่อไม่กราบเสร็จแล้วอัลลอฮ์ถามว่าถ้าไม่ไม่กราบอ่ะทำไมไม่สุญูต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์สั่งให้สุญูดก็สุญูดสิมันตอบบอกว่าฉันจะสุญูดคนที่ต่ำกว่าฉันได้ยังไงมันอธิบายเองมันบอกว่ามนุษย์ถูกสร้างมาจากดินแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟมันบอกว่าไฟเนี่ยดีกว่าดินนั่นมันคิดเองอัลลอฮ์มันจะบอกให้คิดมันคิดเอง แต่ดนอะไรที่คิดเองนะมาจากไซตตอนทั้งหมดนะหาว่าเรื่องาศาสนาอีคิดเองไม่ได้เลยต้องการจะเล่าตรงนี้ต้องบอกคือว่าเรื่องาศาสนาเนี่ยเรื่องอิบาร์ดะทั้งหมดเนี่ยคิดเองไม่ได้ต้องคิดเหมือนใครเหมือนนบีเพราะอัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมาสอนเรื่องศาสนาอย่างเดียวจะเรื่องศาสนาทั้งหมดเนี่ยคิดเองไม่ได้ถ้ามาคิดเองก็แบบใครนะแบบไซตตอนทีนี้ อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าอิบลิสเนี่ยมันเห็นนะตอนที่สร้างอาดัมเนี่ยเห็นหมดเลยสร้างยังไงยังไงยังไงแล้วก็การวางระบบการสร้างสร้างสมองสร้างยังไงมันยืนมองอยู่พอสร้างเสร็จมันบอกว่าฉันหลอกได้อันนี้อาดัมเนี่ยฉันหลอกได้ไม่ใช่อาดัมคนเดียวนะวาลูรียาตะหูแล้วก็ลูกหลานของอาดัมด้วยฉันจะหลอกฉันจะหลอก คำว่าหลอกเนี่ยและอัจจานิการนนะ่ะฉันจะสวมบางเหียนเขาไตรตอนเนี่ยถ้าท่านคนที่ไม่เอาศาสนาก็คือคนที่ถูกไตรตอนสวมบางเหียนนึกภาพสิเราเคยสวมบางเหียนใช่ไหยสวมอะไรสวมมาก่อนเราเรียกอะไรกันยมควายใช่ไหมตัวโลกไตรตอนมองมนุษย์เนี่ยเหมือนอะไร เหมือนควายพราะฉะนั้นคนที่ไม่เอาศาสนานี่ถูกถูกชาตอนสวมบางเหียนหมดแล้วอ่าเพราะฉะนั้นละอัตตานิกันนะซูรียะตะูอิลากอรีละฉันจะไม่ให้คนนั้นมีศาสนาฉันจะขวางเขาฉันจะทำให้เขาหลงออกจากทางของอัลลอฮฺอิลากอรีละนอกจากเล็กๆน้อยๆ น, นอกจากเหลือไม่กี่คน <c oughs> อ, อย่างละล้านคนเนี่ยอมันเอาไปแล้วอย่างน้อยห้าแสนหรือหกแสนหรือเจ็ดแสนเหลือก็เหลือกินอยู่กับรอดเท่าไหร่แสนหนึ่งสองแสนแค่นั้นเองพวกเจ็ดสนเนี่ยเป็นพวกใช้ตอนหมดแล้วแล้วจริงรึเป่าวันนี้เรามอ ง, มอ ง, ม, อ ง, ม, องมองอยู่เต็ทุกวันเนี่ยเอาแค่นมาซูบโบเนี่ยคนที่ตื่นน้ำมาซูบโบนะทางหมู่บ้านเนี่ยมีตื่นกันกี่หลังในดีว่าพวกเธอ อัลลอฮ์ส่งมาอยู่เข้า่ายอบรมตื่นนี่ถ้าอยู่บ้านนี่ตื่นไม่ตื่นที่ตื่นก็มีที่ไม่ตื่นก็มีแต่สวนยยใหญ่ทูชัตอนสวนบางเหรียญปลุกก็ยากเอาน้ําซานแล้วก็ไม่ตื่นใครปูกระมะถ้าคนอื่นปลูกแล้วขึ้นถ้ามะปลูกไม่ไ ม, ไม่ไม่ตื่ น, นอย่างนี้เป็นตนัวนั่นทูชัยตอนรอทั้งหมดเอาวันนี้อายาที่หกสิบสาม قال ذهب فإفمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا قال ذهب พระองค์ตรัสว่าอัลลอฮ์ตรัสว่าอัลลอฮ์กล่าวว่าไงนะอิศฮับจงไปให้พ้นไปจงไปให้พ้น หลังจากบอกให้สุญูต่ออาดามมันไม่สุญูดมันบอกว่าฉันจ ะ, ะได้นะสวมบางเหียนมนุษย์ทีละคนละคนละคนละคนแต่คนที่สวมง่ายที่สุดก็คือคนไม่เอ า, าศาสนาคนกาเฟกเนี่ยสวมง่ายมากคนแขกเนี่ยสวมยากนิดนึงอย่างพวกเราที่มาหนามาที่มัสยิดเนี่ยสวมบังเหียใช้ยตอนไม่กลา้า คนที่เข้าใจศาสนาเข้าใจคุรานเข้าใจฮะดีสเนี่ยไม่สวมมันยกเว้นนะอลัลลอฮ์เล่าเองนะยกเว้นคนที่มี إ ي م านต่ออลัลลอฮ์นอกนั้นมึงสวมหมดนะแต่นี้อลัลลอฮ์ไล่ชายตอนอิศฮับจงไปไปให้พ้นเป็นสำนวนที่ขับไล่เป็นสำนวนที่ขับด้วยไล่ด้วยลดเกียรติด้วยผู้ที่ขับไล่อลัลลอฮ์ขับไล่ใครมาถึงอลัลลอฮ์ลดเกียรติไปมันไปพ้น อย่ามายุ่งกันอย่างนี้ใช่ไหมอั Allah ลลอ์ไลเซตอนแจะเพิดัยตอนบอกไปไปไปไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปอยู่ห่างๆฉันลยงงนะฟามมนตะดีอากอากมินหุมดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเขาที่ปฏิบัติตามท่านที่ปฏิบัติตามเองอะ่ะก็ไปด้วยฉะนั้นคนที่ปฏิบัติตามไตอนถูกอัลลอ์แต่เพิดแล้วไป อย่างนเป็นต้อัอลลอฮ์ไม่มองหน้าแนละ้วมาถึงในวันเกียร์มาอัลลอฮ์ไม่มองหน้าอาลัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์อลัลลอฮ์จะไม่มองหน้าไม่สักฟอดหัวใจให้สะอาดถ้าอาลัลลอฮ์ไล่นะนะโอ้โหหนักนะท่านคนที่ตามไตรตรอนอลัลลอฮ์เล่าไงนะคฟามั่นแต่บีอากามิ่นหุมดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเขาที่ที่ปฏิบัติตามไตรตรอนนะ่ะถูกไล่ด้วย อัตอมาครับไฟน์นจะฮ์นัมอาจซะฮุกุมแท้จริงนรกยันนำเนี่ยเป็นที่อยู่ของชาวนรกเป็นชื่อนยานนำความจริงนรกมันมีอยู่เจ็ดชื่อด้วยกันแต่ยันนำเนี่ยค่อนข้างจะเบาที่สุดนี่คงจะเป็นมุสลิมมาตกเยอะ มุสลิมที่เอาศาสนาเฉพาะปีหนึ่งเอาแค่สองวันมีปเป่าอวันอีหลายอีดเล็กบางวันจะเอาแค่สามวันบางคนนะบางบ้านเนี่ยเอาแค่สามวันเอาวันไหนเอาวันเกิดไหนไปตามต่อยมัามมาหน่อยซิมากวนผมไฟลูกฉันหน่อยแล้วก็มาไปตามอีกทีหนึ่งวันที่ลูกจะแต่งงานน่ะ ยังยังนึกยังนึกถึงอัลลอฮ์นะไปตามตัวอิหมามมาหน่อยสิมาทำอะไรมาแต่งงานลูกสาวฉันหน่อยและอีกวันหนึ่งวันตายไปตามตัวอิหมา ม, มาโฮอๆนะที่จะฟังๆไปเะเอาศาสน า, าแค่สามวันมีไหมมีบางคนนับปีแค่สองครั้งมีและเอาศาสน า, าทาั้งบ้านเนี่ยเอาแค่สามวันวันเกิด วันไรนะวันแต่งงานวันตายแล้วก็นอกจากนั้นอิสลามฉันจะนํามาจะใหม่นํามาฉันจะดูละครมันเรื่องของฉันทีวีที่ของมุสลิมมันอยู่สีช่วงดูไม่ได้นี่คณะใหม่งอใหญ่เลยยิ่งไม่ดูทีวีภาคศาสนาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นถูกถูกถู ก, กนะันถูกใส่ตอนหลอกทั้งหมดเลย เอาต่อมาครับฟอินน์จัดหันมาจะเจ้าอุกุมแท้จริงนรกอ่าจะหันนำคือนรกจะเาอุกุมคือการตอบแทนของเจ้าของไซตอนและคนที่ปฏิบัติตามไซต์ตนจะเาอมมาฟูโรเป็นการตอบแทนที่สมบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องทำอะไร ผิดเอาไว้อยู่ที่ไหนก็ตามอาลัลลอฮฺจะนําเอามาให้เห็นในวันไหนในวันตรีามาใครที่ทําความผิดเอาไว้เล็ ก, ลกๆน้อยๆหรือจะใหญ่แค่ไหนก็ตามอาลัลลอฮฺจะนํามาให้เห็นในวันตรีามาแบบครบบริบูรณ์และทุกคนจะจะตะลึงอลัลลอฮฺนี่อลัลลอฮฺเอามาหมดหมดทุกเรื่องเลยเนี่ยเรื่องที่ฉันแอบทําคนเดียวกั น, นํามาด้วยหรือโอ้วันนั้นน่ะ อัลลอฮฺจะให้เห็นหมดเลยนะครับแล้ววันนั้นหลายคนจะนึกถึงอัลลอฮฺแต่การนึกถึงอัลลอฮฺในวันนั้นมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เพราะเป็นวันที่อัลลอฮฺะจะตอบแทนไม่ใช่วันแห่งการทํางานเนี่ยโลกบนโลกใบนี้ทั้งหาเนี่ยโลกแห่งการทํางานทําความดีคือทําความชั่วโลกใบนี้มาอยู่ปัจจุบันนี้ การจะอธิบายอย่างนี้เมื่ออิบลิสขอประวงเวลาให้มีอายุยืนยาวจนถึงวันที่มนุษย์ถูกให้ฟื้นขึ้นอัลลอฮ์กล่าวว่าอันรอดูกาอนุญาตให้คุณมีอายุยืนยาวคือช้ยตอนเนี่ยมันขอต่ออัลลอฮ์ตรงๆนะมันไม่ขอผ่านโตตะเกียนะ ไม่ขอผ่านโตเะระยองไม่ขอขอผ่านโตลงนาไม่ขอผ่านมันคุยกับเราตรงๆเลยมาบอกว่าอ๋อรประวิงเวลาฉันให้อยู่คู่กับมนุษย์จนถึงวันฟื้นคืนชีพจนถึงวันเตียมะได้ไหมเรบาบอกได้อ่ะอยู่ไปเห็นยังอะ่ะมันใช้ตอนน้นเร็วที่สุดแล้วนะเวลามันขอเนี่ยมันผ่านใครบาง ไม่ผ่านนี่นกูอานตรงนี้มันไม่ผ่านใครเนี่ยมันขอตรงๆงกับอลัลลอ์เลยฉะนั้นเวลาพวกเราเนี่ยมีปัญหาเนี่ยให้เลาอขอต่ออลัลลอฮ์ตรงตรงไม่ต้องขับรถไปหาโตตะเกียโตตะเกียจ้าช่วยฉันหน่อยเธอแต่งงานมาแล้วเจ็ดปีไม่มีลูกช่วยขอทูอาให้ฉันหน่อยโตตะเกียจาช่วยหน่อยชาตอนมันยังไม่ขอผ่านโตตะเกียเลยมันผ่านใคร ท่านเอาล็อกตรงอย่างนี้เป็นต้นต้องการจะอธิบายว่าอย่าไปหลงตามใส่ตอนใส่ตอเนี่ยมันยุให้เราขอผ่านตัตะเกียรอยู่แล้วแต่ตัวมันเองขอเปล่าไม่ขอเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าไม่เรื่องศาสนานะมันยุตะขอตัวตะเกียร์ทั่วท่าอยู่แถวๆจันบุณีมหัาขอตัวระยองท้ายุ่ในอินเดียหูนั่นขอผ่านอะไรๆเต็มไปหมดนะถูกหลอกทั้งนั้น่ะ ไคลอ์ไซโตลล์นาคำว่าจา z าอุกุมมาฟูรรเนี่ยแปลว่าเป็นการตอบแทนที่สมบูรณ์เนี่ยอธิบายยังไงลายงกูซูและกุมมิ่นถูไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่นิดเดียวอัลลอฮ์ตอบแทนให้ครบบริบูรณ์เลยคนที่ทำชั่วนะอัลลอฮ์ตอบแทนครบบริบูรณ์เลย นะครับคนที่ทำความดีก็เหมือนกันอัลล่ฮ์ตอบแทนครบบริบูรณ์เลยแม้แต่พี่น้องที่เดิมก้มไปแล้วก็หยิบน้ำโยนออกจากถนนเนี่ยมุมินเขาทำเพื่ออลัลลอฮ์รางวัลตรงนั้นก็มีตักน้ำให้คนคนหนึ่งทาน ด, ดื่มในฤ ด, ดูร้อนในเห็นแขกมาเอาเชิญ น, นั่งเรไปเอาน้ำแข็งมาเอาแก้วมาเอามา ตักมาให้เขาทักมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์รวมไปถึงคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยเอาอาหารใส่ปากภรรยาก็มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สุภาณอัวดาละอัลลอฮ์ให้รางวัลหมดคนที่ทํางานเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็ปฏิบัติตามสุนานะนาบีเนี่ยถาวัานนบีเคยป้อนอาหารใส่ปากภรรยาไหมเคยนั่ะเป็นแบบเราก็ทําตามนาบีอ่า นบีรูขึ้นนมาแต่ฮัดยุดเคยไม่เคยเราก็ลูขึ้นนมาแตฮัดยุตตามนบีนบีอาบน้ำนมาลูบศีรษะครั้งเดียวทำอย่างนี้เราก็อาบน้ำนมาตามนาบีมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอ์ทั้งหมดเลยนี่จะอธิบายให้ท่านคุณวังเข้าใจง่ายๆอ่ะต่อมาอายาที่4กสิบสี่นะ w a มัน z i z ต a n ista'at ta m ไปสาติกนี่อาย่นี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเลยนะบอกกับสาตอนบอกว่าวัชตัฟริสสาตอนเอ๋ยจงไปยั่วยวนอัลลอฮ์บอกกับสาตอนบอกไปไปไปไปยั่วยวนหรือไปเร่งเร้าไปทําให้มนุษย์นั่นกระฉับกระเฉงมีแรงทําไง มนิสตตะต์เท่าที่ท่านมีความสามารถมินหุมดิซาติทำให้เขาหลงด้วยไรนะด้วยเสียงของท่านด้วยเสียงของเองอะ่ะเอ็มีเสียงใช่ไหมอลัลลอฮ์สร้างชายตอนมหารมีเสียงมาด้วยฉะนั้นคุณเอาเสียงของคุณไปล่อลวงมนุษย์อลัลลอฮ์บอกชายตอนชายตอนเอ้ย เอาเสียงของเองนะไปล่อมนุษย์คำว่าเสียงอธิบายยังไงในตับซิดอิบนุกซิดอธิบายอย่างงี้บิซวติกหมายถึงคูวารีนาหมายถึงเสียงเพลงอา้าวเห็นเข้าใจยังเสียงเพลงคือเสียงของ bon. อมิสเตอร์ไซอนนี่นี่คุารานพูดชัดเลยนะ ใช้การฟังเสียงเพลงทุกชนิดคือเสียงของชายต่อนินงไปดูภาพมันเองอ่ะมันดีดกีตาร์เราก็มองหืมเห็นหมนะันนั่งสติที่ไหนอ่ะยกมือด้วยหืมหืมหืมคนเป็นพันอ่ะยกกันหมดเลยน่ะท่านมันฟังเสียงใครนะเสียงชายตอ่ออาตอมาอธิบายอีกวัล วันมาซามียมาซามียหมายถึงเสียงดนตรีเนี่ยเสียงดนตรีเสียงเพลงเสียงดนตรีวันละวีการละเล่นทุกชนิดการละเล่นทุกชนิดเป็นเสียงของใจต้นบางท่านอธิบายอย่างนี้อิบนียบัดอธิบายว่าคุลูดะอินดะอิลาม่าซียติลล่า ทุกคนที่เชิญชวนเรียกร้องท่านไปทําชั่วนะบอกไปไปมันนี่ดีกว่าอ่ามันนี่มันี่มัี่ไปสูบบุหรี่กันดีกว่าอ่าไอเสียงเรียกมาสูบบุหรี่นั่นก็เสียงใช้ต่อนเห็นอย่างนี่ยถ้าเรียนเรียนตับเสียเรียนอกุรอานอัลลอฮฺอัลบาดเข้าใจอะไรเยอะมากเลยะนั้นเสียงเรียกจะเป็นมนุษย์เรียกหรือใครเรียกก็ตามหรือเพื่อนเรียก หรือยอ่อเรียกหรือมะเรียกหรือว่าคนเพื่อนๆ เ, เรียกบอกว่ามานี่มานี้ไปดูดนตรีกันไมหมล่อะอไอคนเรียกนั่นแหละไอคนชวนนั่นแหละเป็นชายตอนแล้วก็ไปนั่งในที่ชายตอนไปฟังเสียงเพลงก็เป็นชายตอนแล้วก็อะไรนะมิวสิกเสียงดนตรีก็เป็นชายตอนและการละเล่นทุกชนิดอ่ะต่อยมวยเป็นชายตอนทั้งหมดเลยเนี่ยต่อยกันเปรี้ยงใช่หไหม ถูกหน้าเพราะอิสลามเนี่ยไม่ส่งเสริมให้ต่อยใบหน้าให้ตบใบหน้าจึงสั่งสามีว่าอย่าตบหน้าภรรยานะพอขึ้นเวทีตบได้ทําไมอ่ะอยู่บนบ้านเนี่ยห้ามสั่งไม่ให้สามีตบหน้าภรรยาเพราะใบหน้านี่เป็นสวนศูนย์นรวมของความสวยของผู้หญิงอยู่ที่ใบหน้าห้ามตบหน้าภรรยาถ้าจะตบก็ตีที่อื่นตีที่ก้น ดีที่หูกันแล้วกันร อ, อแค่นี้มันก็เจ็บอยู่แล้วเขาไม่อนุญาตให้ตีกันนะนะต่อมาครับอัลล์สั่งสั่งอะไรนะสั่งให้ชายต่นเนี่ยยั่วยุให้มนุษย์หลงด้วยเสียงต่อมาอีก <S <S วัจะลบอะไรหิมและจงชักชวนให้เห็นเป็นให้เห็นให้เห็ น, หหนแล้วชอบเนี่ย ให้ชตอนชวนนะครับชักชวนให้เห็นชอบจงระดมความคิดของไาตอนเนี่ยนะยุให้มนุษย์เนี่เห็นพร้อมรือเห็นชอบด้วยอะไรบิคลิกะด้วยม้าของเจ้าวาริจัลิกะแล้วก็ด้วยเท้าของเจ้าวารอจัววารอจัลิกะและด้วยเท้าของท่านเนี่ย คำว่าม้ากับเท้านะอธิบายยังไงชายตอนมีม้าไหมมีชายตอนมีเท้าไหมมีถ้าอธิบายอย่างงี้ม้ากับเท้านี่หมายความว่าไปทำบาปโดยใช้ ย, ยานพานะนั่งไปนั่นก็เป็นชายตอนบางคนยานพานะไม่มีแต่เดินไป นั่นก็เป็นบาปทั้งหมดเป็นชัตอนทั้งหมดเลยบางคนไม่นั่งรถแต่นั่งเครื่องบินนั่นแหะถือว่าบียคอยลิศด้วยลาของท่านด้วยมาของท่านนั่งรถจากกรุงเทพเนี่ยไปที่เขตขมม้นตรงเนี้ไปทําอะไรไปมาเล่นการพ น, นันเข้าอะไรนะบอนคาสิโนใช่หรือไม่ใช่นั่นแหะเป็นชัตอนทั้งหมดเลยนั่งรถไปเล่นการพ น, นัน ปฏิบัติเป็นชัยตอนชัยตอนเราสั่งว่าคุณเอาม้าของคุณใส่คนนี้ไปทําบาปวันนี้เราก็ทํามาอยู่นี่นั่งรถไปบางคนซื้อรถมาราคาเป็นล้านๆเนี่ยเอาไปทําซินามีได้ไม่มีโอ้โหเต้นไปหมดเนี่ยขับรถออกจากบ้านเนี่ยเนียดไปทําซินากับผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้มีเดทกันไว้อย่างนี้เป็นต้น บางคนไม่มีรถแต่เดินไปมีไหมมีก็บังเอิญบามาอยู่ริมบ้านน่ก็เดินเข้าบาอย่างนีเป็นต้นใช่ไหมใช่ดันการไปทําบาปเนี่ยบางคนก็ขี่เครื่องบินไปบางคนก็นั่งรถไปบางคนก็ใช้เท้าในคุณอ่านอัลลอฮ์สั่งแล้วว่าจะรีบมาไล่หิมชัยตอนเลยโจมชักชวนพวกเขา คับชวนมนุษย์เนี่ยให้มนุษย์เนีเห็นทร่องหรือเห็นชอบด้วยม้าของเจ้าและเท้าของเจ้าหมายความว่าจงจงบอกไปชวนมนุษย์เนี่ยให้ไปทําบาปโดยไปทําชั่วโดยชา ย, ยาลปหานะนั่งเครื่องบินบ้างนั่งรถบ้างใช่ไหมแล้วก็สั่งให้มาไซต์ตอนเนี่ยสั่งให้มนุษย์ไปทําบาปโดยชายเท้าเดินบ้างให้ไปทําบาป ทุกวันนี้จะเป็นนั่งรถไปก็ดีนั่งเครื่องบินก็ดีเดินไปก็ดีไปทำแบบนั่นแหละเป็นเสียงเรียกของสาตอนทั้งหมดเลยมีมีสักกี่คนซื้อรถมาเหนียดเอาไว้ขับรถมาสุรามีไหมถ้านี้นะก็ห้ามโดยลีลาเตรียมตัวไปสวรรค์ได้เลยแต่ส่วนใหญ่ในไม่ได้เหนียดมาสุราบเท่าไหร่รอเหนียดจะเอาตกตานั่งอยู่ข้างหน้าสักคนหนึ่งเอาโลกอว น, นนะัผู้หญิงสวยๆ ส, สาวๆนะไม่ได้มียแล้วก็ทีนึงใครก็ไม่รู้ทําไมไม่ทําให้มันถูกต้องกันนิก้าเลยมันก็จกใช่หรือไม่ใช่ทานิก้าเนี่ยมันไม่อร่อยต้องก่อ น, นิก้านะอร่อยที่อร่อยในะชายตอนทั้งหมดเลยนะหลังนี้เป็นตัวอ่นานะครับตัวลงนี่ชายตอนสั่งอาย่านี่กี่เรื่องนะสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งจงยั่วยวนนะครับ เร่งเร่งแล้วทําให้กระฉับกระเฉงผู้ที่ช้ตอนสามารถทำให้เขาหลงในหมือพวกเขาด้วยเสียงของเจ้าวันนี้มันทําหน้าที่ข้ามาแล้วแล้วก็เสียงวงดนตรีมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกประเทศมีไหมมีขนาดอินโดนีเซียยังส่งมาเล่นที่เมืองไทยเกาหลีก็มาเล่นที่เมืองไทยพวกมันเยอะ นั่งกังบินกันมาทำความชั่วพวกเยอะไหมเยอะและลูกหลานเราก็เหมือนกันเด็กมุสลิมไอ้มัดไอ้มินไอ้มุดนี่แหละก็ขอเงินมามันไปซื้อตั๋วดูคอนเสิร์ตอ่าแล้วก็โรงหนังที่สี่วนมีไหมมีนั้นละทั้งหมดเลยเป็นเสียของชายตอนทั้งหมดเห็นไหมอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ฟังศาสนาก็ไม่รู้พอไม่รู้ก็ถูกใครหลอกชายตอนหลอกบางทียกกันท้งครอบครัวเลย ทั้งยอทั้ทงมะทั้งลู ก, ล, ก, ล, กลูกสาวคุ้มผมอย่างดีเลยนะไปนั่งฟังดนตรีเพราะไม่รู้อ่ะพาะไม่รู้นี่เพราะอ่านอญญายะนี้รู้เลยอญญายะที่หกสิบสี่สุ ร, ออสรอ์อิสรอเอาต่อมาเรื่องที่สามอัลลอฮ์สัง่งใายตอนให้ทำอะไรอีกว่ชาริกฮุมฟิลอัมวาล วาชานิคุมฟิลอาวาธจงร่วมอยู่กับพวกเขาเนี่ยเราสังเษตอนหรือไปไปไ ป, ไปเลยไปอยู่กับพวกเขานะไปอยู่ทําไมที่ไหนฟิลอาวาธในทรัพย์สมบัตินะในทรัพย์สมบัติไปไปอยู่กับเขาไปยุให้เขาในทรัพย์สมบัติอธิบายอย่างงี้ มีเงินสิบล้านเอาไปฝากธนาคารแล้วเอาดอกเบีย้ยนี่ไงอธิบายอย่างนี้เลยชัดๆ่านที่มัลงมุดรอเราบ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดลงมุดรอเราบ้านี่ของที่ m อ v มทวเนี่ยไม่บาปเลยสักนิดนึงยังได้เขาเรียกว่า p r o ฟ i t ไปรประโยชน์กำไรนะสะอาดบริสุทธิ์แล้วเอาเงินสิบล้านไปฝากธนาคารแล้วก็ให้เงินดอกเบีย้ยมานี่แหละเป็นแผนของชายตอนทั้งหมดเลย อั Allah um. ลลอฮฺบอกชายตอนวาชาเรียกมหรือไปหรือไปหรือไปใครนะไปอยู่ร่วมกับผู้ขาวคู่ไปยุผู้ขาวให้เอาเงินเนี้ยไปลงฝากไวธนาคารเพื่อเอาดอกเบีย้ยอา้าวบางคนเงินไม่เอาดอกเบีย้ยเราพี่น้องเอาเงินมาเก็บไว้แต่สั่งเอาเงินไปซื้อบุหรี่มาสูบนี่ก็ให้รอบเองพี่น้องมีเยอะไปหมดเลยเนี่ยท่านน อย่ากให้ไชยตอนมันมีส่วนร่วมไหนทรัพย์สินของเราหรือมีเงินอมีเงินอยู่สิบล้านไม่จ่ายสกาดเข้าทางใครเข้าทางไชยตอนใช่หรือไม่ใช่เพราะเราต้องจ่ายสากาัดสองจุดห้ามีเงินอยู่ล้านหนึ่งสองจุดห้าเท่าไรมันก็สองหมืห้าก็ต้องจ่ายสกาดจะได้พอไชยตอนมา มุ่นอยู่กับเงินระปัดบางคนเลือกภูษาดาตรงสองหมื่นห้าเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหอาละก็ไม่ว่าก็ไม่ให้ก็ไม่ให้แต่ว่าเงินของคุณนั่นมีส่วนร่วมโดยชายตอนเพราะอาละศักดิ์ชายตอนแล้วไงไปไปอยู่มันไปอยู่กับมันไปมีส่วนร่วมในเงินของมันด้วยอะต่อมาอีกวันเอาละลและไปอยู่กับลูลมมกๆบางคก ไม่พอนะไปอยู่กับเงินแล้วยังไม่พอไปอยู่กับใครอีกไปอยู่กับลูกหลานมันอีกอาจารนี้ลูกหลานอธิบายยังไงไปอยู่กับผู้หญิงโดยไม่ได้แต่งงานแล้วก็ได้ลูกมาเรียกว่าลูกก็ได้ลูกจีนาใช่หรือไม่ใช่ใชใชนี่ยไปทำจีน่ากันมาเต็มเลยพอทองดีอาจารย์ครับลูกสาวชมพงษ์ ทำยังไงจะแต่งได้หรือไม่ได้กระบอกแต่งไม่ได้คณะไม่ไอพวกนี้พวกคณะไมแต่งอะไรมนไดเลยสักอย่างหนึง่งละก็อยู่ไปแต่คุณกับคุณเอากันแบบไม่ดันอีกกักนอะ่พะพอท้อเราวิ่งหาตัวครูทาไมเห็นไหมฉะนั้นบ้านใดพระตามนะที่แต่งงานและลูกอยู่ในบ้านของท่านมันนึิกทุกวันนะถ้ามีศาสนามันเิกอลอลูกทันคนนี้เนี่ย อายุห้าขวบแล้ว น, น่ารักน่าดูเลยแต่ว่าเป็นลูกที่ได้มาโดยแม่แดนิกะปานิกะาตอนนี้ทองได้ห้าเดือนสมองเชิมาณิกะนึกครับว่ารอเนี่ยลูกซีนาเนี่ยและลูกซีนาเนี่ยเป็นไงรูป่าไม่มีเศษได้รับมรดกจากใครจากพ่อแต่ได้จากแม่คนเดียวและลูกจะไปขอย่อๆ ข, ขอขอนาชจ้านหน่อยสักหนึ่งงาน มันก็ให้ให้ได้แต่ไม่ใช่ให้เพราะเป็นลูกของเราก็ใชใมไหมใช่ไหไตตอนว่งังอัลลอฮ์สั่งไตตอนไปวันอาลาดไปอยู่ร่วมกับเขาในทรัพย์สินแล้วก็ในลูกลๆก็เหมือนกันนี่เหมือนกันดีๆนะอะไรครับโดยแล้วอัลลอฮ์ส่งพวกเธอเนี่ยมาอยู่ในค่ายอบรมนี่ครส่งนะนึกเลยของดีๆมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมด ทีถ้าหากว่าไม่ส่งลูกมาเข้าค่าย อ, อบรมปั๊บวันที่สิบสามสิบสี่สิบ้าในวันอะไรวันอะไรนะวันสงการบุเธอจําแม่นเลยเนี่ยสงการบุเธอจําแม่นอ่ะวันสงการแล้วก็รอดไม่หนักพวกเราหว่าลูกเรารอดไหมนะไม่รอดอ่านี่ไงวันเอาได้ใช่ตอนไปไปอยู่กับลูกมัน และเด็กรุรุนเนี่ยอายุสิบสามสิสี่สิบ้านี่กำลังมันเลยกำลังอร่อยเลยก็ไปเล่นสงการมพี่น้องครับเห็นดัวยอย่างเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นแผนของกายของไซตตอนทั้งหมดเลยอัลลออักบรนี่ไม่อ่านกูอ่านไม่รู้เอ้าอายะนี้อัลลอฮสั่งไซตตอนสามเรื่องนะ เรื่องที่หนึ่งวัสตับิสมานิส ต, ต์ตอตะมนหุมบิซาอติกจวงยั่วยุให้ให้ฟังเพลงยั่วยุให้เล่นดนตรียั่วยุให้เพลิดเพลินกับการละเล่นของที่อิสลามส่งเสริมให้เล่นเนี่ยเป็นของละเล่นนี่ยมีอยู่สี่รายการมีผลบุญด้วยนะหนึ่งไต่ไหว้น้ำ สองไปยิงธนูไปฝึกยิงธนูเนี่ยมีผ ล, ลบุญไปฝึกขี่ม้าให้เป็นมีผ ล, ลบุญเป็นการจำลึกถึงอัลลอฮสามข้อแล้วนะข้อที่สีนะพวกเธออย่าไม่ต้องเอาคนผู้ใหญ่ยอกรอ ก, กับภรรยาตัวเองมีผ ล, ลบุญมีการเป็นการรำลึกถึงอัลลอสุบฮานะหัวาละไอ้ไหมอิสลามไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นว่ากีฬาห้ามเล่น ว่ายน้ำเป็นกีฬาไหมเป็นยิงธนูเป็นกีฬาไหมเป็นขี่ม้าเป็นกีฬาไหมเป็นทําไมันไม่มีมุสลิมไม่ไม่คิดทํามุสลิมในประเทศชาติทำไมไม่คิดทําก็ทำได้ไหมอะอพาร์ตเมนต์ก็ทําได้อ่ะทําไมมาทําสวินมุ่งูล่ะมีเงินดับรอยลา้านสิบล้านทําสาวยน้ํำสิแล้วก็รายได้ได้แต่สวาวยน้ํามีไม่มี นันเป็นริครุลลอมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ด้วยทำไมไม่เก็บที่เอาไว้ขายทำไมอ่ะที่ต้องร้อยไร่ขีมาาฝึกมากเอา้าฝึกมีมาาตัวดีๆซื้อมาลงทุนด้านด้านนี้ก็มีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วก็ขีมาฝึกให้ลูกหลานยินทะโนทั้งสามรายการนี่เป็นเอเชียนเกมหมดเลยนะเป็นนะ เอาไปบรรจุในในเอเชียนเกมทหามุสลิมเราเนี่ยว่ายน้ำเก่งเป็นชะเปียนได้ไหมได้ขี่ม้าเก่งๆได้ไหมได้ยิงธนูเก่งได้ไหมได้อัลลอฮ์เปิดโอกาสให้แต่ไม่เครคิดทำเดินทางคุณกาฟเฟ่หมดเลยวันนี้ทำไม้ไม่คิดจะทำสระไวน้ำของตัวเองทำไมไม่คิดทำนะครับเอาเล่าไ้ทส่ปิดนอกฟังข้อที่สามวาอนะิดฮุมดูคุอ่านนะครับวาอิดฮุม จงสัญญากับพวกเขาว่าไอ้จะาุมชายตอนเนี่ย ม, นนมันยุในใจเราไม่รู้สึกตัวนะอาเช่นอย่างค้าขายอย่างเงี้ยขายเป็ดขายไก่ขายเนื้อที่ตลาดขายผลไม้ขายส้มอะไรก็ตามโกงตาช่างแล้วก็รวยคราบอลเอาลอบบอกว่าอย่าโกงตาช่างเวลาค้าขายลาช่างตัวอย่าโกง ช่างให้ตรงแต่ชายตอนมันจะขูงะ่งเพราะอัลลอฮสั่งไวไงไหวจะหุมจงไปสัญญากับพวกมันกับมนุษย์นะนะสัญญาว่าไงสัญญาว่าเช่นไปขูก่อนนะถ้าคุณจ่ายปะกาศคุณจนอ่ามันูในใจบางทีพรรยาแล้วก็คูพี่ไม่ต้องไปจ่ายปะกาศจะเกิดโรคเราไม่รู้รกนี่แหละชายตอนทั้งหมด หรือมันจะขายของกับโกงตาช่างสักเล็กๆนะ้อยๆสักขีสองขีดไปนชตอนทั้งหมดเลยจะมาค้าขายคนตรงๆแบบนี้ไม่รวยแน่ต้องขายยาบ้าเลยครั้งเดียวจะได้รวยก็เรียบร้อยก็ถูกจับไปแล้วแหละมาทําทําไมอ่ะนั่นก็ชาตอนมันขู่กันไปน้องกับว่าอ้เดารุมชาตอนมันจะทํามันจ ะ, ะรายนะสัญญากับพวกเขาให้ทํางานทํางี้ทางี้ทอย่างั้น ไอ้ของชั่วช่วทั้งหมดชาตอนมันยุทั้งหมดกระจายนะอายานี้อลัลลอฮฺสั่งชาตอนให้ทํางานกี่กี่เรื่องนะสมเรื่องเรื่องหนึ่งให้ร้องเพลงให้ดังๆแล้วก็ให้เล่นนะดนตรีแล้วก็เล่นกีฬาเยอะๆอะแผ่นชาตอนทั้งหมดแล้วข้อที่สองอะไรนะจงชักชวนมนุษย์ให้เห็นพร้องให้อยากจะทําความชั่วโดยใช้เครื่องบินบ้างใช้รถบ้างใช้เดินบ้า ง, าดางได้ไหม บางทีก็ใช้เฟซบุ๊กดูกันอะไรกันเป็นแผนการทั้งมันทั้งหมดนั่นแหละต่อมาครับว่าชาริตฮมฟิลามวาลิวัลเอาลแล้วก็จงอะไรนะอยู่ร่วมกับพวกเขาอยู่ร่วมกับลูกๆของพวกเขาแล้วก็อยู่ร่วมกับทรัพย์สมบัติของพวกเขาแล้วข้อที่สามว่าอินดะหุมแล้วก็จงสัญญาพวกเขาอย่าลืมนะสัญญาเขาใส่ตอนนะโกหกทั้งหมดเช่น <c oughs> เราตื่นตอนตีสียกตัวอย่างชาตตอนบอกว่านอนอีกหน่อยขณะขึ้นมาชี้แล้วนะชาต้อนมานอนอีกนิดเดียวนอนอีกสิบนาทีที่ไหนได้สิบนาทีหนสองชั่วโมงตื่นที่ทิ้งหกโมงไอ้ตอนตีสี่น่ะตื่นนะ่ะมันดีอยู่แล้วนะ่ะลองอดใจนิดนึงฉันแข็ ง, งสู้กับชาตตอนขับไปแปรงฟั น, นอาบน้ำน้ำมานแล้วพอชนะ ส, สิบนาทีสิบนาทีที่นายได้อีสิบนาทีนี่แหละ เ, เป็นเป็นภาษาของซาตานแต่นี้ก็อหลับเยอะเลยสุบงุสอุสุบบอไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ไม่ได้ยินตามมันจะมีติดต้นนะครับอัลลอฮฺสากวิวะมาแยกดมชุชตอนอิลลฮรรและซาตานมิได้สัญญาใดๆแกพวกเขา เว้นแต่เป็นการหลอกลวงเท่านั้นเห็นไหมอะไรที่เราคิดในใจเราเนะ่ยเป็นของไม่ดีนั่นเป็นเป็นของช้ตอนทั้งหมดท่าน ต, ต้องคิดสะอาดคิดดีนะครับอ้อาวต่อมาอายาที่หกสิบห้านะครับพี่น้องโอลโลคำอธิบายตันสิทมีเยอะน ะ, อ, ะอธิบายรวมๆไปแล้วนะครับ เหมือนกันไม่ใช่ตอนมันขู่ลย่งนี่ยังรูปรูปจะเว็ตหรือว่าโต๊ะโต๊ะตะเกียเนี่ยบอไปขอโตตะเกียเถอะแต่งงานมาแต่าหายหลายปีลูกไม่มีไปขอโตะโตะเกียบางทีไอ้คนที่มาชวนคนริมบ้านน่ะนั่นแหละใช้ตอนน่ะเชติใช้ตอนถต่มายืนคุยกุยกุยกุยไปไปไ ป, ไปโตตะเกียกับฉันดีกว่าฉันพาไปนั่นแหละเหมือนกันทั้งหมดนะเอาต่อมาครับ Allah จะสั่งอย่างนี้หะดิษอุท่านนาบีสั่งอย่างนี้นะเราอันอาฮะดูฮุมเป็นหะดิษผู้มา่บุคคลีมุสลิมอัติบายนังลูกลูกหลานเราอันอาฮะดูฮุมอิจาอัลอฮะอายะียาอัลลอฮฺนี่นบีสั่งนะถ้าหากคนหนึ่งคุณใดจากพวกเขาต้องการที่จะร่วมหลับนอนกับภรรยาของเขา ไม่ต้องการจะให้ลูกเรามีชัยตอนติดอยู่ทำไงก็ละก็ะะจะร่วมหลับนอนให้กล่าวว่าอย่างนี้บิสมิลลาฉันร่วมหลับนอนกับภรรยาของฉันด้วยนามของ Allah. Allah um ma, อัลลอฮ์อัลลอฮุมอ้ออัลลอฮ์จันนิบ น, นชาชัยตอนให้ชัยตอนเนี่ยออกห่างจากเราว่าจันนิบชัยตอนมาราสักตานาะ แล้วก็สิ่งที่อัลลอจะประทานฤสกีให้คือลูกเนี่ยเวลาได้มาอย่าให้ชัยตอนนี้สัมผัสลูกของเรามันต้องขอดัวอาก่อนที่จะร่วมหลับนอนตรงนูน้นอยู่บนที่นอน น, ออนู่นอ่ะเห็นยังแสดนชัยตอนไ่นอนครับทำไมนบีจึงสอนให้เราขอความคุ้มครองจากอัลลอหฺล่ะเพราะไม่ต้องการจะให้ชัยตอนมีอิทธิพลมาอยู่เหนือลูกของเรา ต, ตังแต่บนที่นอนเลยนั่นใจเย็นๆะนะบีสัง่งฟะอินนะฮูแต่หากว่าอัลลอฮ์เนี่ยอายุก้อนอีลูกอดดิรบัยนะฮูมาวะล็ดแต่หววากอัลลอฮ์กำหนดให้ครอบครัวนี้มีลูกด้ยการร่วมหลับนอนครั้งนี้มีลูกติดลัมยะบุรุหุใส่ตอนอาบานัด <c oughs> ชัยตอนก็จะไม่มีสิทธ์ ม, มาทำอันตรายกับลูกของเราสังเกตลูกที่ ถ้ <c oughs> ามีมีดูอ่านตลอดเวลาเนี่ยลูกจะเชื่อฟังพอไหมมันก็ธรรมดามันก็มีเนี่ยเบี้ยวบยบุญบุก็มีใช่ไหมแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยลูกจะดี <c oughs> นมาศอ่านกลอ่านสิกรุลล์เป็นคนดีเป็นลูกที่ดีในอนาคตอิเชอรอห์ะนะต่อมาอายาที่หกสบ อินนัยบาดี ليس لك عليهم سلطان وكافى ربيك وكيلة อินนัยบาดีแท้จริงเบาของฉันอัลลอ์ใส่ดีแว่าของฉันทำไมเป็นการบอกให้มนุษย์รู้ว่าอนะัลลอ์เนรักนะ เบาวของฉันเออใช่ไหมท่านคนนี้อ่านอาย่านี้ถ้าเข้าใจนิดนึงโ อ, โนอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เมตตาฉันเหลือเกินเรียกฉันน่ะเป็นเบาวของอัลลอฮ์เบาของฉันเราน่ะจะกล้าเรียกไหมถ้าไม่ใช่ลูกจริงๆนะกล้าเรียกไหมลูกฉันก็ไม่กล้าพลายฉันบ้านของฉันแต่อัลลอฮ์เรียกหมดเลยนะเบาวของฉันเอออัลลอฮ์อาตมันะตาย บาวของฉันแสดงว่าเนี่ยเป็นบาวของ Allah จริงๆ Allah พอใจบาวของฉันทุกคนเป็นไงลซาลกะอ้ายฮิมสุลตอนลายซาแปลว่าไม่มีอลัยฮิมเหนือพวกเขาสุนตอนแปลว่าอำนาจลซาลกะต้องการจะบอกว่าชายตอนเอ๋ยเจ้าเนี่ยไม่มีอำนาจเหนือพวกเขา ชัยตอนนี่นะไม่มีอำนาจเหนือมนุษย์หรอกที่ที่ชัยตอนมีอำนาจเหนือมนุษย์วันนี้เพราะมนุษย์เอาชัยตอนเปิดช่องให้ชัยตอนน่ะเช่นอะไรบ้างตอนจะร่วมลบนอนกับภรรยาไม่อ่านดวงอาพอจะอ่านดูอาในขณะใหม่พวกวะฮบีเนี่ยอย่าปนอนานมั่นเราต้องอยู่อย่างนี้แหละอยู่แบบชัยตอนตเอาน้อขาดขาดทุน ไม่เอาซุนา่นานนบีมากํากับชีวิตขาดทุนหรือกําไรไปเนาะขาดทุนอ่าซุนา่านเนี่ยซุนา่นานนบีสอนหมดเลยนะตย่อยมันจะสอนอะ่ะอ่านดูอาก่อนจะร่วมหลับนอนเนี่ยสมมุตฉะนั้นอัลลอฮฺเลยสั่งนะอินนาอิบะดีไลซัลาาละไลไลซัลละกาไลฮินซุลตอลชัยตอนเนี่ยไม่มีอํานาจเหนือมนุษย์หรอกฉะนั้นคนที่เอาศาสนาเนี่ยนะไม่มีอํานาจ ใดๆที่จะมาคุมมนุษย์ที่มีาศาสนาได้ถ้าถ้าอยู่กับอัลลอ์อยู่กับาศาสนาเนี่ยอัลลอ์คุมถ้าใครไม่เอ า, าศาสนาอยู่กับใครอยู่กับชายตอนคืออัลลอฮ์กาหนดไว้อย่างนี้ใครเอาฉันฉันให้มารายการมาอยู่เป็นเพื่อนถ้าใครไม่เอาฉันฉันเอาใครมาอยู่เป็นเพื่อนชัยตอนแค่แค่ชัดอา้าวข้าวบ้านไม่ให้สลามพาใครข้าวชายตอน ถ้าให้สลามพาใครเข้าพามลาอิก้าเข้าเห็นไหมจะนอนอันบิสมิลลาพาพาชยพาชยตอนหนีออกไปพามลาอิก้าเข้าบ้านทะเลาะ ก, กันอยู่ใกล้เขาชายตอนถ้าให้อาภายัยอยู่ใกล้กับมลาอิก้ า, า, า ก, ก็เลือกเอาสินั่นเพราะอ่านกูอ่านเข้าใจแล้วอัลละห์ห้ามดูลิลเลอร์แค่นั้นชายตอนไม่มีอำนาจมาเหนือเราเดี๋ยวจะกินข้าวใช่ไหมล่ะ ถ้าใช้ตอนมีส่วนร่วมในการกินอาหารอย่าอ่านบิสมิลลาห์แล้วก็มืออย่าล่างพอเดินไปก็อ่าปากพวดมื อ, อ ก, ก็อซกปกเป็นชัยตอนบิสมิลลาห์อย่าอ่านนั่นแหละแต่จะอสัสวานาอับบีพออสัสวานาอับดุลบีมาปับใช้ตอนนี้หมดเลยแตล่างมือก่อนสองข้างพอนั่งกับบิสมิลลาห์อัลลอฮฺอัลลอฮฺละขออุหาให้กับคนที่ หลังจากอิมแล้วเห็นไหมถ้าอ่านอย่างนี้สะตอนข้าวไหมไม่ข้าวัวตอนอยู่ห่างสันไม่ยุ่มเพรนี่มันเอาอารม์มาคุ้มครองหมดแล้วเจ้ไหมอ้าวต่อมาว่ากาแฟาบิอ บ, บีเกอวากีแลและพอเพียงแล้วกาแฟกา็พอเพียงแล้วบิล บ, บีเกอที่พระผู้อภิบาลของท่านวากีแลเป็นผู้คุ้มครองอัลลอฮฺเฮีย คนที่ยึดอิสลามคนที่ยึดอัลลอฮ์คนที่ยึดสุนนะนบีถ้าว่ายึดใครนะยึดอัลลอฮ์มาคุ้มครองชาตอนเข้าไหมไม่เข้าเด็ดขาดเลยยึดอัลลอฮ์กาฟ้าพอเพียงแล้วชาตอนไม่มาเจนี้นะตับซิดอธิบายดีนะคำว่าอิบาดีเนี่ยบ่าของฉันเอย๋ยต้องเป็นคนดี และคนที่มีความรู้แล้วคนที่มีอีมา ن นั่นน่ะคําว่าอะไรนะอีบานดีท่านเบาวของฉันที่มีอีมานเบาของฉันที่เรียนชอบเรียนศาสนาเนี่ยมนั่งฟังต้มซีดแต่เช้าเนี่ยอาทิตย์ละครนี่แหละ إيمان ม, มันเข้าเพราะอีมานมันเข้าอัลลอฮ์ยกเลยท่านเป็นเบาวของฉันเพราะว่าสนใจศาสนาของอัลลอฮ์สนใจคุรานสนใจสุนนะนบีอย่างนี้เป็นต้นนะ ในบาดีลิปเตอร์วีเพื่อการให้เกียรติยกย่องอายาที่หกสิบหกครับรับบุกุมุลเลวียุซจิลกุมุลฟุลก์ฟิลบาฮ์รีพระผู้อภิบาลของสูตเจ้ารับบุกุมแปลว่าพระผู้อภิบาลมันจะแปลว่าอัลลอฮ์นะมันจะแปลว่าอัลลอฮ์แปลว่าพระผู้อภิบาลแปลว่าพระผู้อภิบาลของท่านทั้งหลายอัลลอี์ ยุ z j i คือผู้สรงให้แล่นยุส j i แปลว่าให้แล่นให้แล่นที่ไหนาลากูม u ลฟ u ลก a ให้เรือนะเนี่ยแล่นสำหรับท่านทั้งหลายนั่นอนะ่ะอัลลอฮ์วางกฎเอาไว้ให้ทะเลมาเนี่ยแล้วก็ให้เรืออยู่ในทะเลเนี่ยฟินบาฮ r i ในทะเลในท้องทะเลเป็นอย่างอัลลอฮ์ดูแลหมดเลย ตรงนี้ต้องการจะบอกให้มนุษย์ให้มุมินทั้งหลายให้คนในโลกนี้สแสวงหาฤากีของอัลลอฮฺผ่านทะเลได้ไหมได้สแสวงหาเงินผ่านทะเลได้ไหมได้คําว่าทะเลเนี่ยรวมมาถึงอะไรลําคลองแม่น้ําใช่หรือไม่ใช่ใช่ใชเอา้าลงไปสิชาเรือใชาเรือสแสวงหาฤสษีของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เปิดสมองเราอล๋ออ๋อหาเงินได้น่ะใช้เรือแล่นที่ไหนในท้องทะเลวันนี้ใครคุมฟารามมันไปคุมหมดแล้วความอ่านกุูอ่านก่อนเราเพราะกูอ่านมาหนึ่งพันเท่าไหนึ่งพันสี่รอยปีเราเพิ่งมาอ่านปีนี้อล๋ออยู่มาตั้งนานแล้วยุ่งย้อเล่ากันมาที่อ่านรุ่นแช่เราก็นมาที่อ่า น, น, อ, า น, น, อ, านอ่านไม่ได้คณะใหม่ เรียนศาสนาเรียนคุณอ่านยุสุนาบีทูกดาหมดอะไรอะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยผมจำได้ตอนเลกเล็กก่อนนะอย่าจบคุณอ่านนะอย่าแปลคุณอ่านนะคนจะแปลคุณอ่านต้องรู้สิบสองวิชามันเต็กบดียบายานนาหูสารัอัลลอฮฺอัลกุบะดไม่ใครกล้าเลยคนแขกไม่ใครกล้าจบคุณอ่านเอาอ่านวาขึ้นบนเน่ยจะจัดหนังสือบัตรสัญญได้ มักจะยินแล้วอ่านอ่านกันจังร อ, อที่กุูอ่านนี่ไม่กล้าอ่านอ่ะกูจะบาปบาปย่าจับยาจับจับไฟคนก็เลยไม่กล้าอ่านกูอ่านไปน้องแล้วก็ถูกใครใครใครหลอกแต่ตอนหลอกเอาแค่อ่านกูอ่านอญญาย่านี้มันอธิบายลูกหลานแล้วก็เขาใช้ศาสนาเพิ่มขึ้นตังเยอะไม่เอาแล้วก็ถูกตําห น, น, นิเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนีนเ่เป็นนั่นเอาละเป็นน่องต้องไรถูกหลอกอืม ลิตา บ, บตาหูมิฟัฟ บ, บลุลเพื่อสู่เจ้าจะได้แสวงหาอะไรนะฟัฟ บ, บุลีฮีความโปรดปานของพระองค์ความโปรดปานหมายถึงเงินนะริสกีจากทะเลมีไหมมีพวกฝรั่งเอาไปใช้หมดแล้วพวกเราไม่ได้ใช้เราก็อยู่ชายชายทะเลได้ไหมได้แต่มุสลิมก็คุมนะคุมสวนไหน ควรที่เป็นชายหาดใช่ไหมเราคุมเยอะากห้มดูลินละก็ขายกันคนละรอยสองรอยล้านห้ามดลินละเดี๋ยวนี้ภูเขาก็ขายได้แล้วประชาภูเก็ตนะบนบ้านสวยสวยสวยเราก็ให้มาทั้งหมดนั่นแหละแต่เ ล, ลาเตือนอินนหูกะนาบีคุมรอหีมาแท้จินพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาแก่พวกสูเจ้าเสมอ คำว่าเมตตาเนี่ยหมายถึงให้ธุรกิจกับมุสลิมให้ธุรกิจกับมนุษย์ให้สแสวงหาทิสกีก้ของอัลลอฮ์แล้วก็อย่าลืมอัลลอฮ์ไม่ใช่หาเงินอยกระทั่งลืมนมาดยายายาทำงานทั้งคืนทั้งค่ํำในพักพอดยายายาถือสิ่งอดด้วยอ่านอุปอิสัด้วยสิครุลลอด้ว ย, าวยหาริสกีด้วยเวลาหาทิสกีมาได้ทิสกีมาอย่าลืมจ่ายสกาดของอัลลอฮ์ด้วยเตือนหมดนะสกาดมี แล้วก็มีฮัดียะมีและอย่างอะไรนะวกัฟสี่อย่างนะครับต่อมาอายะสุดท้ายครับหกสิบเจ็ด وإذا مسكو مدر في البحر และเมื่อทุกข์กระเยมาจนความเดือดร้นรอนมาประสบแก่สูเจา้าในท้องทะเล وإذا مسكو م, م د ฟ في البحر บลละมันตะดานะอิลละไยาผู้ที่พวกสู่เจ้าวิงวอนคนนี้พอลงทะเลปั๊บเวลาลมพายุมาแรงๆสิ่งที่เขาบูชาเช่นโตะระยองโตะตะเกียตะกงตะกุดอะไรก็ตามจะห น, นีหมด จะไม่คิดถึงสิ่งเหล่านี้จะจะคิดถึงใครเลยไหมจะคิดถึงอัลลอฮ์องเดียวสาเหตุเป็นอย่างนี้นี่ประวัตินะเป็นเป็นประวัติเป็นตาฟิกเลยนะลูกชายของอบูยะฮันยะฮันอบูญนะฮันน่ะเป็นญาตินาบีและแอนตีนบีใช่เลยไม่ใช่เป็นศัตรูของนบีมุฮัมมัดเลยละ่ะคอยขวางมุฮัมมัดอย่ามาสอนอิสลามนะฉันไม่ต้องการอิสลามฉันต้องการอยู่แบบเก่าๆอย่างนี้แหละอยู่แบบตัวย่อชร์แชร์สอนอย่างนี้แหละ ลูกชายของอบูจาฮันชื่ออัครีมาชื่อนายอัครีมาเน่ยตอนที่นบีอพยพยจากนาครมักกะไปอยู่ที่นครมาดีนะหลังจากนั้นนบีเข้ามายึดมักกะได้อีกอพอหันมายึดปั๊บวันนั้นพาซาฮบามาหมื่นคนไม่ได้ฆ่าใครสักคนหนึ่งนะมายึดมักกะต้องการจะให้ฮารอมไบตุลลอนนั้นสะอาดไม่ให้มีรูปเจเวต สะอาดดีหมดเลยอัครีมาเนี่นยห น, นีพอนบีมุฮัมมัดมาเนี่ยพพ่อเป็นศัตรูลูกก็เป็นศัตรูตามพ่อด้วยไงก็ห น, นี้นบีมุฮัมมัดมาจะไปอยู่เมืองคาบัชะเมืองอิติอเปียเสร็จแล้วก็นี้ออกจากมะกาลงเรือพอลงเรือเสร็จแล้วนะกะจะไปให้ไกลเลยฉันไม่กลับมามะ ก, กาแล้วไม่ชอบที่นบีมุฮัมมัดพูดเรื่องอัลลอฮ์ ให้ยึดอัลลอฮ์ให้อีมานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์มีองค์เดียวให้ทิ้งพระเจ้าเราย่ยอยๆ อ, อ, อีกร้อยองค์ทิ้งให้หมดเหลืออัลลอฮ์องค์เดียวฟังไม่ได้มันขวางหูมันแสบหูเหลือเกินให้ทิ้งโตตะเกียโตระยองพูดได้ยังไงแช่ก็ทํากันมาตั้งนานนมแล้วลูกชายอาบูยานชูอากรีมางย่างงี้นะมุฮัมมัดมันอะไรมาสอนอย่างอัลลอฮ์องค์เดียวเราเคยบูชาพระเจ้าตั้ร้อยองค์อ่ะ มาเหลือตัดให้เหลือองเดียวฉันรับไม่ได้หนีออกจากครมักกะไปลงเรือพอลงเรือเสร็จแล้วน่ะลมพายุมาพอลมพายุมาเนี่ยคนในเรือต่างคุยกันเลยเฮ้ยงานนี้ไม่รอดนะฉะนั้นทุกคนต้องนึกถึงอัลลอฮ์แล้วขอจากอัลลอฮ์อัครีมาก็นั่งอยู่ในเรือได้ยินเขาคูดพูดกันให้คิดถึงอัลลอฮ์ให้ขอจากอัลลอฮ์ อย่าให้เรือเป็นอะไรอย่าให้เรือจมให้ลมพายุนี่มาหน้อยๆหน่อยอยัครีมานึกในใจตัวเองฉันหนีมาจากมะ ก, กาเพราะเรื่องอัลลอฮ์นี่แหละแล้วมาเจอในเรืออีกอุซาหนหนีจากนาบีมูฮัมหมัดจากนาครมะ ก, กามาลงเรือดันมาเจออัลลอฮ์ในเรืออีกถ้าอย่างงั้นฉันกลับไปหามูฮัมหมัดดีกว่า ถ้าในเรืออัลลอฮ์ยังคุ้มครองบนบกอัลลอฮ์จะไม่คุ้มครองหรอือไปไม่รอด <c oughs> ขอจรชัยว่านิจจนครมิกทามาเรื่องนบีมุฮัมมัดสอนให้ยึดอัลลอฮ์องเดียวไม่พอใจกลจะเป็นอยู่ต่างประเทศเลยไปกัน ม, มันไกลมุมหมัดเหลือเกินแค่ลงเรือลงพายุมาคนพูดโดยสารทั้งหมดต่างคุยก็บอกเฮ้ยงานนี้ไม่สําเร็จนะ ถ้ายึดพระเจ้าย่อยๆตัวตตัวเกียนไปไม่รอดนะหันมายึดอัลลอ์เธอทุกคนคุยกันหมดเลยก็นั่งขออุอากันนั่นอัครีมากก็เลยบุกว่าฉันนั้นหนีมาจากมักกะไกเรื่องเรื่องอัลลอ์นี่แหละดันมาเจออัลลอ์ในเรืออีกก็เลยหันกลับเข้าไปพบนบีและไปรับอิสลาม แล้วก็กลายเป็นซอฮาบะที ri, ่เข้มคนหนึ่งที่เผยแผ่อิสลามหลังจากรับนับถืออันอิสลามเห็นยังที่ประวัตินะแค่อายานี้เตือนเราใช่ไหมไวจามาซาคุมุลโฟิลบาฮ์ริดัลลันดัลลัมันตัดเงื่ออิลลัยยา ف ัลัมนัดจาคุมอิลบาฮ์ริคนเี่พออยู่ในเรือพอลำบากนะคิดถึงอัลลอหมด ต้องการจะบอกว่าอยู่บนบกก็เหมือนกันเวลาแย่เต็มที่แล้วอัลลอฮ์จ๋าช่วยหน่อยเห็นไมที่นมาดยาวๆสุดหยุนานๆนะขออะไรขออัลลอ์ตอนขึ้นศาลจะแพ้หรือชนะนีอัลลอฮ์ช่วยหน่อยเถอะใช่หรื อ, อ, อ, รรนน อ, อ ไ, ไม่ใช่ยินุก <c oughs> อีตอนดีๆนะ่ะลืมอัลลอฮ์อีตอนแย่ๆ แ, แล้วก็อัลอลอ์จ๋าอัลลอ์จาใช่ไม่ใช่ใช่นี่งอาย่านี่ต้องการจะเตือน ฟรั่งมานัจยะกลุ่มเมื่อพระองค์ทรงช่วยให้พวกสูเจ้าเนะี่ยรอดพ้นหมายถึงขึ้นขึ้นฟังขึ้นขึ้นบกเมื่อขึ้นบกแล้วปลอดภัยแล้วลมพายุหายแล้วอารอบประตุูพวกเขาก็หันหลังให้อลารมันเดิมใช่หรือไม่ใช่ ไ, ไช <c oughs> อตอนลำบากไอตอนเมียทองเนะี่ะอย่ารอช่วยดูแลเมียหน่อยให้ลูกขอดสบายๆใหญ่ไม่มีปัญหา พอคลอดออกมาแล้วลูกสมบูรณ์ดีลืมอัลลอฮ์นามาท่าเวล้ลืมอะกาศกูไม่จ่ายแล้วอิล h ั m โดนเรื Al ่องละกูไม่ว่าแล้วดูอาดูอากูไม่เรียนแล้วน้มงน้ำมากูมีเอาแล้วกูปลอดภัยแล้วนะี่ยอัลลอฮ์กล่าวว่าไงว่าแกนั่นอินสันุกะฟูโรและมนุษย์นั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไรนะเนรคุณอา้าวจะไม่เนรคุณก็ได้ต้องเรียนศาสนา แล้วฟังศาสนาเยอะๆจะไม่เนรคุณต่อ Allah น บ, บีสุลัยมานนะ่ะเดินไปในป่าจําได้ไหมหมดสั่งให้เข้ารู้ให้หมดเดี๋ยวสุลัยมานมันจะมาเหยียบท่านน บ, บีสุลัยมานได้ยินภาษาของมดบอกกับมดให้เข้ารู้ บ, บิสเลมานดีใจอ่ะสุญญ์ต่อ Allah ในวันนี้หลายคนนะ มีอะไรเก่งๆกว่าชาวบ้านนะแทนที่จะสู้ยูต่ต่ออัลลอฮ์แทนที่เป็นคนดีช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือมุสลิมช่วยเหลือาศาสนาตะกร บ, บุตเยอะยิงจ้องอนเลวมากเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นอลัลลอฮ์เตือนในคัีร์อัลกุรอานว่าการอินซาโนกาฟูรอมนุษย์นั้นเป็นผู้เนรคุณเสมอฉะนั้นจะไม่เนรคุณได้ไหมได้ทําไงเรียนศาสนาซะและ้วปฏิบัติปฏิบัติตามคําสั่งของอลัลลอฮ์เอา เวลา ب ح ا ن ه และก็อัลลอฮฺหมายบอกด้วยความดี ح ับชุดเวลานี้แหละอัลลอฮฺอิลลัติลัตอิลลัตอัลฮฺอัลลอฮิลลลลอิลลฮฺอิลลัลลอฮอตัิอัติลอัลอลัตลลอฮิตฮ